ความบางตอนที่น่าสนใจความพยายามใดๆที่จะให้คนมีวิบากมาดีให้ได้มีโอกาสมาศึกษาอบรมจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆและให้เขาได้มีโอกาสได้ทำงานที่เขาถนัดอันนี้หละคือความหมายของคำว่าการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชาติบ้านเมืองคนที่มีวิบากมาดีนั้น แม้จะมีความรู้ความสามารถสักเพียงไรก็ไม่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่เว้นไว้แต่ ว, ว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเรียนพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเข้าใจดีและได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วเท่านั้นการที่คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาดีและมีอิทธิพลในวงงานต่าง ไม่สนใจต่อพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรอันนี้ล่ละคือสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ผลดังที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาคนที่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นแม่ทัพเป็นนักปราชเป็นเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ตามในชาติก่อนนั้นถ้าหากในชาตินั้นๆไม่ลืมตัวพยายามสร้างแต่ความดีอยู่เสมอ เมื่อมาเกิดในชาตินี้ก็มักจะต้องได้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในชาติก่อนหรือในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันกับเมื่อชาติก่อนความสามารถไม่ได้สูญเสียไปพร้อมกับความตายชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตภายในไม่มีการตายไม่มีการสูญเสียคนที่เกิดมาเป็นคนฉลาด